ธรรมนักธรรมเชนโธมุนที่หนึ่งบรรยายโดยพระอาจารย์มหาเพระทิตะสีโลเสริมสุขท่านสาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นโธเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสึกต่อไปฉะนั้น ในหมวดของธรรมวิภาคบริเขตที่สองของนักธรรมชั้นโทนี้ก็เพื่อให้นักเรียนที่ไดีสอบผ่านของธรรมชั้นตรีได้ศึกษาฉะนั้นเกี่ยวกับการศึกษาในหลักธรรมของนักธรรมชั้นโทซึ่งหัวใจของการศึกษาก็ได้เคยบอกนักเรียน <c oughs> ไว้แล้วว่าหนึ่งจำสองจดสามเข้าใจสี่ถวายความเคารพและควรท่องว่า จำไว้ดีกว่าจดถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำแต่นักเรียนโดยมากทั้งจำทั้งจดไม่เอาทั้งหมดจึงไม่จดไม่จำฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเรียนเพื่อให้รู้ดีและสอบได้จะต้องทั้งจำทั้งจดแล้วก็พยายามทำความเข้าใจฉะนั้นก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมวิภาคในบริเเชตที่สองของนักธรรมชั้นโท โดยเฉพาะท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นญาติโยมไม่เคยรู้เคยทราบก็จะได้ทราบว่าธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาที่เรียกรวมกันว่าพระธรรมวินัยส่วนนี้หมายเอาคุณและโทษกับความประพฤติดีและเสียกับความประพฤติดีและเสียบ้างหมายเอาคติแห่งธรรมดาบ้างหมายเอาอย่างอื่นอื่นอีกบ้างแสดงโดยปุกลาทิฐานก็มี โดยธรรมมาทิฏฐานก็มีอันนี้ท่านในพระอัจฉริยะาจารย์ท่านในจัดไว้เป็นหมวดเป็นพวกโดยเป็นระเบียบต่างๆเพื่อสะดวกแก่การศึกษาอย่างหนึง่งท่านจัดเข้าหมวดตามจํานวนแห่งข้อธรรมเช่นทำมีจํานวนสองก็จัดเข้าในหมวดทุกกะคือมีจํานวนในหมวดทุกกะมีจํานวนสามก็จัดเข้าในหมวดติกะ อีกอย่างหนึ่งท่านจัดเข้าประเภทประเภทตามคุณลักษณะทำข้อหนึ่งหนึ่งเป็นต้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีคุณสมบัติหลายอย่างก็มีเช่นเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่เป็นพะละก็คือเป็นกําลังในอันกําจัดทำอันเป็นค่าศึกแก่ตนและในอันตั้งตนไว้โดยชอบเป็นอริยทรัพย์คือคุณสมบัติอย่างประเสริฐ หรือคุณสมบัติของพระอุญะเจ้าและเป็นสัพุริสธรรมคือธรรมของสัตว์ปรุษท่านจึงจัดไว้ในหมวดนั้นในประเภทนั้นบ้างในหมวดโน้นในประเภทโน้นบ้างผู้ศึกษาพึงเข้าใจในหัวข้อกับทั้งคุณลักษณะแล้วศึกษาไปตามหมวดตามประเภทย่อมเข้าใจได้ง่ายเมื่อทําความเข้าใจอย่างนี้ตามหมวดตามหมู่ได้ดีขึ้นแล้ว แน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นมีไหวพริบปฏิพานเรียกว่าเท่ากับว่าเราเรียนสรรพคุณแห่งวัตถุอันใช้เป็นประกอบยาเข้าใจแล้วเรียนตำราก็าไม่ยากม้นจะปรับปรุงใหม่ก็เหมาะสมกับโลกก็ได้ฉะนั้นการเรียนการศึกษานั้นเราจะต้องจำด้วยต้องจดด้วยต้องทำความเข้าใจด้วยเมื่อเราเรียนอย่างนี้แน่นอนที่สุดการเรียนการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างก็ จะสมตามความมุ่งมา่ปรารถนาทีนี้เราก็มาขึ้นต้นกันในหมวดแรกคือทุกกะหมวดสองอาว่าด้วยเรื่องอริยบุคคลสองคำว่าอริยบุคคลมีคำที่น่าเข้าใจอยู่สองคำก็คืออริยะกับบุคคลอริยะแปลได้หลายในในยะแรกแปลว่า ปรริฐนยยะที่สองแปลว่าอริยเจ้าในยยะที่สามแปลว่าความจริงที่ปราศจากข่าศึกบุคคลก็หมายถึงพวกคนเราแต่ถ้าไปเล่นแร่แต่ท่ า, ทาศ์คำว่าบุคคลก็แปลว่าผู้กลืนกินของเน่าเปื่อยปุ๋นแปล ว, ว่าเน่าเปื่อยคลับแปล ว, ว่ากลืนกินแล้วก็กลืนกินของเน่าเปื่อย แต่ในที่นี้เราก็รู้ว่าบุคคลก็หมายถึงพวกเรานี่ยพูดกันแบบภาษาอาชาวบ้านที่เข้าใจกันฉะนั้นก็แปลว่าบุคคลผู้ประเสริฐนะอาิยาบุคคลนี่แปลว่าบุคคลผู้ประเสริฐหรือบุคคลผู้เป็นพระยาเจ้าหรือบุคคลผู้ไกลาจากข่าศึกคําคว่าข่าศึกในที่นี้ได้แก่กิเลสตัณหานั่นเองฉะนั้นบุคคลสองก็มีหนึ่งเสกขะ พราผู้ยังต้องศึกษาพระอาเซฆะพระผู้ไม่ต้องศึกษาพระผู้ไม่ต้องศึกษาอันนี้ถ้าหากว่าจะให้ขยายความให้กว้างออกไปตามความหมายที่ได้อธีไว้ข้างต้นว่าคำว่าระยะที่ว่าแปลได้หลายในเช่นแปลว่าประเสริฐบ้างแปลว่าผู้ไกลาจากกิเลสบ้างหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าผู้หักกําจักบ้างแปลว่าผู้ปราจาฆ่าศึกบ้าง ที่แปลว่าประเสริฐนั้นก็หมายความว่าประเสริฐกว่าสามัญชนทั้งหลายโดยเป็นผู้กําจัดกิเลสได้เป็นบางส่วนหรือสิ้นเชิงเป็นชั้นชั้นตามภูมิของตนเป็นผู้ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิมีคติเที่ยงไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือเที่ยงที่จะดําเนินไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นแน่แท้ที่แปลว่าผู้เว้นไกลคือเว้นจากกิเลสบาปธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แปลว่า หักกําจักคือเป็นผู้หักกําจักแห่งสังสารวัตซึ่งได้แก่ทาลายอวิชชาตัญหาอุปาทานกรรมที่แปลว่าไปปราบจากข่าศึกก็คือท่านกําจัดสังโยตได้เป็นชั้นๆสังโยดที่ท่านละได้แล้วเหล่านั้นไม่กลับมาสู่ท่านอีกนี่เป็นความหมายของคาว่าอริยะที่แตกแไว้หลายในที่นี้พระเสขะ ได้แก่พระยบุคคลที่ยังต้องศึกษามีอยู่เจ็ดจำพวกก็คือหนึ so can can staff, ่งพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักสองพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิถนสามพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมักสี่พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลห้าพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมักหกพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมัคทั้งเจ็ดนี้เรียกว่าพระเสกขะคือพระผู้ยังต้องศึกษานะมีเจ็ดเพราะยังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับศิกขาทั้งสามคืออธิศีลสิกขาคือศึกษาเรื่องศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาคือศึกษาเรื่องจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาคือศึกษาเรื่องปัญญาอันยิ่ง เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงขึ้นไปกว่าภูมิเดิมของตนเช่นพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปิมกรรคก็ต้องศึกษาเพื่อให้ได้บรรลุโสดาปิผลพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมกรรคก็ศึกษาเพื่อให้ได้บรรลุสกทาคามิผลเป็นต้นแต่การนับพระยะบุคคลนั้นท่านนับเอาพระยะบุคคลที่ตั้งอยู่ในอริยผลเท่านั้นด้วยว่าพระผู้ตั้งอยู่ในอริยบุคคลในอริยมรรค มีระยะใกล้เคียงกันชั่วขณะจิตหนึ่งเท่านั้นหรือบางที่ท่านอาจจะพูดว่าชั่วดีดนิ้วนะหรือชั่วรัดนิ้วนะเราเอานิ้วเนี่ยชั่วรัดไปแค่นั้นเองเนี่ยจากระวังมรรคผลหรือบางอาจารย์ท่านอาจจะพูดว่าอ่าช่วงงูแลบลิ้นแค่นั้นเองนะช่วงงูแลบลิ้นแค่นั้นเองอ่าฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้นักเกรียนนักศึกษาอและท่านผู้สนใจได้โปรดทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง มรรคจิตหรือว่าเรื่องผลจิตนะต่อไปนั้นก็เป็นอริยผลคือเต็มภูมิธรรมในชั้นหนึ่งหนึ่งฉะนั้นมรรคผลในชั้นหนึ่งหนึ่งนั้นจึงเป็นพระยาบุคคลองค์เดียวกันรวมพระยะในอทันเสขนี้ก็เป็นสามคือหนึ่งพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเรียกว่าพระโสดาบันสองพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผล เรียกว่าพระสกะทาคามีสามพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลเรียกว่าพระอนาคามีส่วนพระผู้ตั้งอยู่ในอรหั ต, ตมรักนั้นยังไม่เป็นพระยะบุคคลเต็มภูมิในชั้นนี้ต่อเมื่อได้บรรลุอรหัตตผลแล้วจึงเรียกว่าเป็นอรหันต์เต็มที่ได้นะเต็มที่ได้อนี่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องอพระเสขะนะพูดเกี่ยวกับเรื่องพระเสขะ ทีนี้ก็จะอธิบายให้กว้างออกไปอีกว่าระหว่างพระเสขะกับพระอาเสขะนี่ต่างกันตรงไหนนะต่างกันตรงไหนเดี๋ยวจะพูดว่าให้จบไปสักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็จะให้นักเรียนนักศึกษามาทวนต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าในหมวดสองนี่ถือว่าสองข้อนี่ยากมากระหว่างอริยบุคคลสองกับกรรมฐานสองนะนี่ถือว่ายากฉะนั้นขอให้ตั้งใจทําความเข้าใจให้ดี คนี้มาในข้อที่สองเกี่ยวกับพระอาเศขะได้แก่พระผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ผู้เสร็จจิตอันจะต้องทำเพื่อบรรุมรรคและผลและไม่มีมรรคผลที่จะต้องทำให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกพระยะบุคคลผู้เป็นพระอาเศขะนั้นก็คือพระยะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลคันพ้นจากอรหัตมรรคแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นพระอรหันต์อันสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระเสขบบุคคลนี้จึงหมายเอาท่านผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วมีชื่อเรียกท่านผู้ได้บรรลุอรหัตผลว่าพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ที่นี้ก็มาทำความเข้าใจกันว่าพระอายะบุคคลทั้งสองประเภทนี้ละสังโย์ในขั้นใดจึงได้เรียกว่าโสดาบันโสดา สกะทาคาพระอนาคาพระอรหันต์นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจสังโยชน์หมายถึงกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของสัตว์ทำให้เกิดความลุ่มหลงเกิดความมัวเมาในกิเลสตัณหาคาว่าสังโยชน์เนี่ยเ ป, เ, ปเป็นตัวกิเลสก็มีอยู่สิบอย่างก็คือหนึ่งสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิความ เห็นที่ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวต น, นคือเห็นยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังว่าตัวเราตัวเขายังมีนี่ตัวเราตัวเขายังมีอของเราของเขายังมีนี่เรียกว่ายังติดตัวเองยังติดอัตตายังติดในสมมติยังติดในสมมติในข้อที่สองวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก็ดีเกี่ยวกับเรื่องอพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ดีมีความลังเลอยู่เสมอว่าทําอย่างนี้เป็นบาปหรือเนอทําทอย่างนี้เป็นบุญหรือเปล่าอ่ทําอย่างนี้จะได้ผลไหมทําอย่างนี้อไม่ได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนอจะไปเกิดในนรกหรือว่าจะไปบรรเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือว่าจะไปเกิดบนสวรรค์อะไรอย่างนี้ มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลานะนี่ตัวคือตัววิจิกิจฉาตัวที่สามก็คือศีลพตปรามาสก็คือยังโลูกคำศีลพศเกี่ยวกับเรื่องว่ายังเชื่อเรื่องดวงดาวนะ่ะยังเชื่อเรื่องดวงดาวยังเชื่อเรื่องพระพรหมเจ้าที่ยังติดหมอดูนะ่ะติดน้ำโมกน้ำมนอไอทำนองนี้นี่คือถือว่ายังยังโลูกคำศีลพศเรียกว่าจะทำอะไรก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่เชื่อมั่นในตัวเองไปเอาเหตุอื่นเข้ามาเป็นเครื่องตัดสินต่อการดําเนินชีวิตเอฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าคนจะดีหรือชั่วนั้นไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวอยู่ที่ตัวเราตัางหากฉะนั้นถ้าเราพร้อมเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเป็นเลิกดีครูดียามดีนะไม่ต้องไปเอาเหตุอื่นเข้ามาถ้างนั้นเราก็จะผิดพลาดฉะนั้น อในข้อที่สามว่าศีลพระตปรามาศก็หมายถึงว่าผู้ที่ยังรูปคําศีลทรัพย์อยู่เนี่ยคือยังติดเอเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทําทอะไรก็ยังต้องขอเลิกขอยามนะต้องดูเลิกดูยามดูเวลาไม่เอาความพร้อมไม่เอาความสามคัคคีก็ย่อมจะมีผิดพลาดมาในข้อที่สี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอราคะเนี่ยกามราคะ นะการาราคะก็คือว่าความยินดีนะความพอใจนะความพอใจนะหรือว่าความกำหนดนะความกำหนดในกามนะความกำหนดในกามก็คือว่ากำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องนี่ยังมียังติดอยู่มาในข้อที่ห้าก็คือปฏิคัตนะคือ มีความกระทบกระทั่งแห่งใจทําให้เกิดความโกรธคือเกิดอารมณ์โทสะขึ้นคือไม่พอใจในตัวไม่พอใจนี่แหละก็เป็นเหตุทําให้เกิดความโกรธความอาฆาตความพยาบาทนะแล้วมาตัวที่หกก็คือรูปราคะ ก, ก็คือมีความกําหนัดในรูปนในรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตรู้สึกว่า เราจะมีจิตเกี่ยวขอ้องหลงไหลไฟฝันยึดมั่นกับสิ่งเหล่านั้นอยากได้อยากให้อยู่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องเกิดความมัวเมาหมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นรูปมาในข้อที่เจ็ดอาโรปราคข์ก็คือติดในสิ่งที่ไม่ไม่มีรูปอันนี้หมายถึงว่าละเอียดละเอียดอันนี้ก็ อได้แก่พวกอารมูปฌานนะพวกอารูปหรืออารมูปปรมเนี่ยอารมูนะรปฌานพวกนี้ก็คือความนึกคิดนะเกี่ยวกับเรื่องความนึกคิดความเพ้อฝันต่างๆนะในในอารมณ์อันละเอียดอันจะณีตที่นอนเนื่องอยู่ในใจเกิดความลุ่มหลงเกิดติดยึดมั่นถือมั่นขึ้นมานะประการที่แปดก็คือมานะนะมานะนะ หมายถึงว่าตัวตั ว, ต, วตัวที่แสดงความถือตัวนะถือตัวว่าเราดีกว่าเขาหรือว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาเรารวยกว่าเขาเรามีความรู้กว่าเขาพูดง่ายๆก็คือว่าตีตนเสมอท่านยกตนข่มท่านนี่นี่ตัวมานะแล้วตัวที่เก้าก็คืออุท ธ, ธัจจะนะอุท ธ, ธัจจะก็คือหมายถึงว่าการความฟุ้งซ่านลาคาญใจนะความฟุ้งซ่านลาคาญใจ ทำให้ใจไม่สงบทําให้ใจรวนเรภายในใจนั้นมันมีหมอกเมฆหรือมีทุเรศคือกิเลสตัณหามาจับเหมือนกับพวกคาเหม่าตะเกียมงนะทําให้แสงนั้นออกมาไม่สว่างเต็มที่อทําให้เราเห็นสิ่งรอบๆนั้นไม่ชัดนะไม่สว่างพอฉะนั้นในตัวอุทจรานี่แหละความฟุ้งซ่านก็คือพวกกิเลส ต, ต่างๆมันมาหอหุ้มจิตใจของเราไว้ ทำให้เรานั้นไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อสุดท้ายก็คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้หรือถ้าจะพูดให้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้ในสิ่งที่ไม่น่ารู้นไอ้สิ่งที่น่ารู้เราไม่รู้ไอ้สิ่งที่ไม่น่ารู้เรากลับไปรู้นี่นี่คือตัวอวิชชาคือความโง่เง่านความไม่รู้อไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละคือตัวอวิชชาทั้งสิบข้อนี้เป็นสังโยอดสิบเป็นเป็นกิเลสที่ร้อยเริงจิตใจสัตว์ผูกมัดจิตใจของสัตว์ให้อยู่หมัดอยู่มื อ, อต้องอตกเป็นทาสของมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้แต่ทีนี้พระอริยบุคคลทั้งสองนั้นท่านละ สังโยชน์ได้เป็นขั้นเป็นตอนขอให้นักศึกษาต้องจัดลำดับให้ถูกต้องนะต้องทางความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสังโยชน์ะก่อนแล้วก็เอามาไล่ไปทีละชั้นละชั้นอย่างเช่นพระโสดาบันนะโสดาบันนี่ละได้สามละอะไรโสดาบันก็ละสักกายนะทิฏฐิ เดียวกว่าไม่ยึดมั่นถึงมั่นในตัวเราแล้วในตัวเราตัวเขาของเราของเขานี่ไม่ละแล้ววางได้ข้อที่สองวิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยแล้วพระโสดาบันข้อสามสีละพระตะปรามากไม่ลูบคำสินพจน์ไม่เชื่อเรื่องดวงดาวเรื่องหมอดูน้ำบกน้ำมนต์พระภูมิมเจ้าที่นี่ไม่มีแล้วนะพระโสดาบันนี่ตัดได้หมดแล้วละสังโยตละกิเลสสามตัวนี้ได้ที่นี่มาพระสกะทาคามี พระสกาทาคามีก็ละได้สามาละได้สามคือละส ก, กายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีร ะ, ระพตะปรามาสพร้อมกับทา ร, ราคะโทสะให้เบาบางนะมากขึ้นไปอีกหน่อยพร้อมกับทา ร, ราคะโทสะให้เบาบางข้อนี้นักเรียนนักศึกษาจะต้องสังวรให้มากถ้าหากว่าไม่สังวรแล้วมักจะพูดต่อกันว่า พร้อมกับทรราคะโทสะโมหะให้เบาบางนี่จะพูดตรงนี้มันไปผิดพลาดตรงโมหะไม่ถึงโมหะจะต้องบอกว่าพร้อมละได้สามเหมือนยังโสดาบันแล้วก็ละราค ะ, ะพร้อมกับทา ร, ราคะโทส ะ, ะให้เบาบางนี่นะพระสกทาคามีส่วนพระอนาคามีนั้นละได้ห้าก็คือโสดาสกายทิฐิวิจิกิจฉา สีลพะตะปรามาตกามราคะปฏติคะนี่ละได้ห้าอย่างนะละได้ห้าอย่างทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าอุทธรรมัมนะเรียกว่าอุทธ ร, รมภาคียะนะโอรัมภาคิยะนะในส่วนเลื่อนต่ำํำนะในส่วนเลื่อนต่ำํำนะละได้ส่วนเลื่อนต่ำห้าอย่างงานะนีพระ อนาคามีนะพระอนาคามีที่นี้มาพระอรหัน์นะพระอรหันก็ละได้สิทสักกายติวิจิกิจฉาสีลพตาปรามาศกามราคะปฏิคะรูกราคะ า, ารูปราคะมานะอุทจจะอวิชฌานี่ทั้งสิบอย่างนี้พระอรหรันนี่เราจะเห็นว่ า, าพระอริยบุคคล น, นั้น จะละสังโยชน์ได้เป็นชั้นๆนะเป็นชั้นๆไปนะดะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เรากำหนดอย่างนี้ก็จะทำให้การเรียนการศึกษาสะดวกเข้าใจขึ้นทีน่นี้พระยบุคคลออสองนี้ถ้าจะถามว่าพระยบุคคลสองแล้วก็พระยบุคคลสี่พระยบุคคลแปดี่ต่างกันหรือเหมือนกันอันนี้เราก็พูดได้เลยว่า ถ้ายะพูดแล้วก็คูต่างกันโดยพยัญชนะเหมือนกันโดยอักื่อเหมือนกันเหมือนกันยังไงพระยะบุคคลสองก็ได้แก่พระเสขะกับพระอเสขะพระเสขะคืพระผู้ยังต้องศึกษาพระเสขะคะผู้ยังไม่ต้องศึกษาในในพระยะบุคคลสองนี้ถ้าจัดเป็นสี่ก็คือโสดาปดติผลสัตถ า, าคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนี่เรียกว่าพระยะบุคคลสี่ ทีนี้ถ้าจัดเป็นแปดก็โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลสกทาคามิมัติสัจาคามิผลอนาคามิมัติอนาคามิผลอรหัตตมัติอรหัตหตผลนี่อย่างนี้เรียกว่าอายะบุคคลแปดอ่าแล้วในอายะบุคุณแปดเมื่อแยกแล้วก็คือย้อนกลับไปถึงเมื่อแยกแล้วก็คือพระยบุคุณสองอ่าคือพระเสขกับพระเสขะ พระเสขะก็ตั้งแต่โซโดาปฏิมักโซโดาปฏิผลสกทาคามีมักสกทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัจมักแค่ดีจัดว่าเป็นพระเสขะส่วนพระอรหันนั้นหมายถึงพระอาเสขะคือไม่ต้องศึกษานะไม่ต้องศึกษานี่อันนี้ต้องเข้าใจแต่ผู้ที่ได้มักได้โซโดาปฏิมักโซดาปฏิผลสกทาคามีมักสกาทาคามีผลนี้ยังต้องศึกษานะยังต้องศึกษาขึ้นไปอีกนะยังต้องศึกษาผู้จะทํากิเลส ให้หมดไปจากจิตใจนะจนถึงสูงสุดก็คือพระอรหันต์นะแต่ในระหว่างนักกับผลนั้นยังต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญานในระหว่างนักกับผลนั้นต้องศึกษาเรื่องออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิสมาอาธิปัญญาสิกขานอธิปัญญาสิกขานี่นี่เป็นเรื่องของของนักของผลฉะนั้นถ้าหากว่า เราเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้การเรียนการศึกษานั้นสบายนะนั้นสบายผู้ที่ได้โสดาบันนั้นหมายถึงว่าผู้ที่เข้าถึงกระแสะแห่งการฟังนะเข้าถึงกระแสะแห่งการฟังฉะนั้นในสมัยสมเด็จพระสัมมาสูตรเจ้าที่ยังทรงประชมอยู่นั้นเราจะเห็นว่ า, าผู้ที่ฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลกันมากนะบรรลุมรรคผลกันมากอาตอนที่ พระองค์ได้แสดงธรรมกันแรกนะแสดงธรรมกันแรกก็คือแสดงธรรมจักรกประวัตนสัสตรให้พระปัญจวคีฟังนะปรากฏว่าพระอัญญากลทัญยะได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็คือได้โสดาอได้โสดาบันที่พระองค์ได้ตรัสว่าอัญญาสิวัตโพกลทันโยอัญญาสิวัตโพกลทันโยนะอ่ากุลทัญญะได้รู้แล้วเนอะกุัญยะได้รู้แล้วหนอพระองค์ได้เปล่งอุทานมั้นนะนะ อุทานังอุทานเนสิัญญาสิวัตโพโกทันโยน่ะนี่เนี่ยอก็องได้เป็นงอุทานว่าพระอัญญาได้รู้แล้วหนอะเนี่ยได้เข้าใจแล้วอ่าทํานั้นฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราศึกษาอในขั้นแรกนี้เข้าใจในขั้นต่อไปก็สบายนในขั้นต่อไปก็สบายทีนี้ถ้าหากว่าถ้าจะมีคําถามว่ากิจที่พระเสขะยังต้องทํายังมีอยู่อีกนั้นคือกิจ คือกิจชนิดไหนและจะต้องศึกษาอะไรต่อไปอันนี้เราก็จะต้องตอบเลยว่าคือกิจที่ชนิดที่เรียกว่าจะต้องละสรรพกิเลสทั้งหลายซึ่งเรียกว่าปหาณกิจและกิจชนิดนี้ตั้องเจริญคุณธรรมที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษาคุณธรรมที่เกิดแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เจริญขึ้นไปเรียกว่าภาวนากิจ และต้องศึกษาในสิกขาทั้งสามคืออธิศีลสิกขาอธิกิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาต่อไปนะต่อไปและยังต้องศึกษาเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับทีนี้ถ้าจะมีคำถามบอกว่าพระเสขายังมีอนุสัยต่างกันหรือไม่ที่ตอบเช่นนั้นมีธรรมบทหไหนเป็นเครื่องอ้างเราตอบได้เลยว่ายังต่างกัน mm. คือพระโสดาบันก็ยังมี กามราคะปิติคะเนี่กามราคะปฏิคะรูปราคะอะรูปราคะมานะอุทธะอวิชชานี่ยังมีอยู่อพระสกท า, าคามีก็ยังมีอีกห้ามีตั้งแต่อาราคะโทสะออันนี้เพียงแต่ให้ทำราคะโทสะให้เบาบางลงไปนแต่ก็ยังมีเพียงแต่เบาบางลงไปก็ยังมีโมหะนียังมีโมหะแล้วก็แล้วก็ยังมี มานะนะมานะอุทจะอาอวิชชานะส่วนท่านาคาเีนั้นก็ยังมีมานะอก็ยังมีมานะอุทธะอวิชชาส่วนพระอารหันนั้นก็คือหมดเลยนะหมดเรียกว่าละสังโยชนิสิทได้นะอันนี้ก็มีสังโยชนิสิทนั่นแหละเป็นเครื่องอ้างนะเป็นเครื่องอ้างฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาได้พยายามทําความเข้าใจก็จะทําให้ การเรียนเกี่ยวกับเรื่องอธรรมะในหมวดที่สองนี้ดียิ่งขึ้นทีนี้ถ้ากจะมีคนถามอีกว่ากัลยาณชนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนามุ่งอัฏ ธ, ธรรมเบื้องสูงขึ้นไปแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเหตุใดจึงไม่เรียกว่าพระเสขะอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าเพราะเหตุว่าพระเสขะนั้นท่านหมายเอาพระยาบุคคลผู้ละสังโยชนเบื้องต่ำได้เด็ดขาดแล้ว สรรพกิเลสทั้งหลายที่ท่านละได้แล้วไม่สามารถจะกลับกําเริบได้อีกท่านจึงไม่เรียกกรลยานชนผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลว่าเสขะนี่อันนี้ขอให้ท่านเข้าใจฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้การเรียนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอธรรมะได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นก็ขอสรุปสั้นๆอีกนิดหน่อยว่าพระยะมุขคลสองก็คือพระเสขะกับพระอาเสขะนะ พระยบุคคลสี่ก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระยบุคคลแปดก็คือพระโสดาปฏิมรักพระโสดาปฏิผลพระสกทาคามิมรักพระสกทาคามิผลพระอนาคามิมรักพระอนาคามิผลพระหัตตามรักพระหัตผลแล้วก็สังโยชนก็คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาหนึ่งสักายติถิสองวิจิกิจฉาสามสีละพะตาปรามาสสกามราคะห้าปฏิฆะหกรูปราคะเจ็ดอรูปราคะแปดมานะเก้าอุทธะสิทธิอวิชชาฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องพระยาบุคคลสองนี้จะต้องสัมพันธ์กับเรื่องสังยอดสิทนะสังยนดก็คือเครื่องร้อยกิเลสเครื่องร้อยรักจิตใจของสัตว์ฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพระยาบุคคล สองมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนคู่สนใจในธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่ากรรมฐานสองหรือภาวนาสองคำว่ากรรมฐานแปลว่าการตั้งความเพีย คำว่าภาวนาก็คือการบำเพลิความเพียรการนำเพลินความเพียรภาวนาแปลว่าการนำเพลินหรือว่าการเจริญกรรมฐานเนือภาวนาทั้งสองอย่างนี้เป็นชื่อของความเพียรท่านหมายเอาเนื้อความเป็นอย่างเดียวกันแต่การทําความเพียรนั้นมีผลที่มุ่งหมายอยู่สองอย่างคือกรรมฐานสองวิภาวนาสองหนึ่งสมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจแต่ผู้ปัสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาฉะนั้นกมฐากรรมฐานที่ว่าเป็นกรรมฐานเป็นอุบายให้สงบคือหรือสมถะภาวนาภาวนาเป็นอุบายให้สงบใจสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนานี้เนื่องด้วยบริกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับปัญญาคือบริกรรมในธรรมอันเป็นอารมณ์ ของสมถะข้อใดข้อหนึ่งจนจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียที่เราเรียกว่าเอกัคตาารมณ์ต่นั้นผลก็จะบังเกิดนะก็จะบังเกิดผลคือจิตต่จากนิวรณ์ห้าในแก่นิวรณ์ห้าก็คือหนึ่งการมฉันทะกามพอใจในการสาพยาบาทวามคิดอาฆาตอำนาจร้ายผู้อื่นสาม สีนมิทะความว่วงเหาเหานอนหรือว่าจิตเกิดความสลดสงบขู่ข้อที่สี่ปุถัจจกุ ก, กุจะความทุ่งสร้างวังคามใจข้อทห้าก็คือวิจิตรฉาความลังเลสง ส, สัยจัดจึงใจไม่ได้ทั้งห้าข้อเรียกว่านิวรห้าฉะนั้นเมื่อจะลงสรรมฐานกมรมฐานหรือภาวนากรรมฐาน จน จ, จ, นนจนจิตต่อจากหิวอ่อนจงจิตต่อจากหิวรแล้วนั่นแหละจะเปิดเปิดเอกเปิดจิตเอกขะตาลมคือมีอารมณ์เป็นอันเดียวทั้งตรงนี้เรียกว่าได้อปปนาสมาธิแล้วก็จะได้ชานต่อไปชานก็จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ต่อจากนี้เราะกว่าถ้าเขาจะมีคาถามบอกว่า ที่เรียกว่าเป็นสมถะนั้นถึงขั้นไหนก็ต้องบอกว่าถึงขั้นที่ว่าจิตปลอดจากมิวรันทั้งห้าจิตปลอดจากมิวรันทั้งหอาธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถะสมฐานหรือสมถาภาวนานั้นท่านแยกไว้สีสิบนี่สี่สิบนี่เรียกว่าสี่สิบอย่างสี่สิบประเภทก็คืนหนึ่งก็สิบสิบนีอาสุพะสิบอานุสตุสิบนี่อานุสตุสิบก็รวมแล้วเป็นสามสิบ อาหาเวริกูณสัญญานหนึ่ง อ, อาหาเวริกูณสัญญานหนึ่งจะตุทาตุเววัฏฐานหนึ่งก็เป็นสามสิบสามสิบสองแล้วก็พรหมวิหารสี่อาริยปชาญสี่ก็รวมเป็นสี่สิบทีนี้เราจะมาดูร า, า, ายละเอียด คำวมากระสินจุดคืออะไรอกระสินจุดมีอะไรบ้างอันนี้นักเรีนจะต้องรู้เนี่ยจะต้องรู้จะต้องท่องวันเให้รู้ว่ากระสินจุดมีอะไรแล้วเราให้ศึกษาเลยว่าจะปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าจะเริญนกสินจุดหรือว่าเพ่งกระสินนั่คือทําอย่างไรหนึ่งปฐวีกระสินปฐวีกระสินก็คือถือเอาดินเป็นอารมณ์ข้อสองอาโปกรสิน ถือเอาน้ำเป็นอารมณ์ข้อที่สามเตโชกสินถือเอาไฟเป็นอารมณ์ข้อที่สี่วายโยกสินถือเอาลมเป็นอารมณ์ทั้งสี่ข้อนี้เรียกว่าภู ส, ก ส, ภ ส, กส 5, ักกสินเนี่ยภูสักกสินข้อที่ห้ามีรกสินถือเอาสีเขียวเป็นอารมณ์ข้อที่หกปีจะกสินถือเอาสีเหลืองเป็นอารมณ์ ข้อที่เจ็ดโลหิตสกสินถือเอาสีแดงเป็นอารมณ์ข้อที่แปดข้อที่แปดโอทาสกสินถือเอาสีขาวเป็นอารมณ์ตีข้อนี้เรียกว่าวันณกสินนะเรียกว่าวันนกสินคือเกี่ยวกับเรื่องสีนข้อที่เก้าอาโลสกสินถือเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ข้อที่สิบอากาศสกกสินถือเอาอากาศเป็นอารมณ์ทั้งสิบข้อเรียกว่าสกสินสิ ทีนี้ต่อไปอสุภาสิตมีอะไรบ้างอสุภาสิตคือหนึ่งอุดทุมาประษ์กกอสุภะคือให้พิจารณาซากสดอันพองขึ้นหรือว่าอุดขึ้นอสองวิมีละอวินีละกะอสุภะซากสดอันมีสีเขียวให้เราพิจารณาซากสดอันมีสีเขียวข้อที่สามวิปุพภะ อาวุจจพกะอสุภะให้พิจนาทาราบศพอันมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเนี่ยขอ้อที่สี่ยชิตทกะอสุภะให้พิจนาทาราบศพที่ขาดยุ่นเนีขาดยุ่นมืขาดแขนขาดเท้าขาดอะไรอย่างเงี้ยหรือเราบางทีจะเห็นยังนังสือพิมพ์ก็เคยลงว่า้วเกี่ยวกันชนกันแขนขาดขาขาดเรื่อราบเนี่ยขอ้อที่ห้า อาวิขายิจกตะอาสุภะให้พิจารณาซากศพที่แย่งกาสุนักเป็นต้นกัดกินแล้วข้อที่หกอาวิคิตะอาวิคิตะอาสุภะวิคิตะกะอสุภะให้พิจารณาซากศพที่มีนูและเทา้าและศีรษะขาดไปข้างหนึ่งข้อที่เจ็ดฮาตะวิคตะฮาตะวิคิตะเกาะอาสุเะให้พิจารณาซากศพที่ คนมีเวรสัพฟันกันขาดเป็นท่อนๆอ่หรื อ, อเป็นท่อนน้อยเป็นท่อนใหญ่ข้อที่แปดโลหิตะกะอาชุพะให้พิจารณาซากศพที่ถูกกระหารด้วยสาตรามีโลหิตไหลนองอยู่ข้อที่เก้าตัวฤกกะอาชุพะให้พิจารณาซากศพที่มีตัวหนอนคลาขั้นเยือย้อเยี้าข้อที่สิบอัฏฐะพิกะอาชุภะซากศพที่ยังเหลืออยู่ ปลายโครงกระดูกกเรเดียกว่ายังเหลือแต่แร่างกระดูกว้อย่างนั้นเถอะก็รู้สึกว่าในข้ออสุภสิทนีอาา้อนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนก็คงจะฟังภาษาสังพระนี้ภาษาบาลีนั้นรู้สึกว่าจะจำยากหน่อย mm. ก็จำเอาตัวไทยก็ได้เนี mm. ่ยวันหนึ่งให้พิจารณาซากศพอันขึ้นอืขึ้นพร้องก็อสองให้พิจารณาซากศพอันมีสีเขียวข่อยสามให้พิจารณาซากศ มนนีน้ำหลวงไหลออกโยนข้อที่อให้พิจนาซากศพที่ขาดวิ่นนะแขมขาดข า, ด ข, าดขาดหูขาดตาถลนออกไป น, นี่ข้อที่ให้พิจณาซากศพที่ขาดวิ่นนะแขนขาดขาขาหขาดตาถลนออกไป่ข้อที่ห้าให้พิจนาซ า, ากที่นิ น, นแขนขาาดูถลนออกี่ข้อที่าให้พิจนาซากศพที่ขิ่นแขาดขาลนออกีข้อที่ห้ให้พิจณาซากศพที่ขาินะแขนขาดาขาดขานกไนข้อีให้พิจาากที่ขาดเป็นท่แนาหขาดนออน่อ้อท่หนใหญ่ ข้อที่แปให้พิจ า, ารณาซากศพที่ถูกอาหารด้วยสันกรามมีรลืิดไหลยอยู่ข้อที่เก้าให้พิจ า, ารณาซากศพที่มีตัวหนอนลระพริบอยู่อย่าง เ, อเยอะแยะข้อที่สิบให้พิจ า, ารณาซากศพที่ยันยังเหลืออยู่แต่โครงจะดกนุทั้งหมดนี้เรียกว่าอาศุภัสสิทอาศุภสัภสก็คือให้พิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่สวยไม่งามมาใน ที่สามก็คืออนุสติสินะอนุสติสดหมายถึงว่าให้การระลึกนึกถึงอคุณธรรมสิบอย่างก็คือหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าข้อสองธรรมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมข้อสามจั๋งทานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ข้อสี่สรานุสติระลึกถึงศีลของตน ข้อที่ห้าจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วข้อที่หกเทวตานุสติระลึกถึงคุณที่ทําบุคคลที่เป็นเทวดาข้อที่เจ็ดมรณะสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนข้อที่แปดกายคตาสติระลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งาม น, น่าเสียดเป็นของโสีวโคลสุกโกลข้อที่เก้าอานาปานสติ ให้ตั้งสติหดนดลมหายใจเข้าออกขอ้อดีสุดอุปสมานุสติตเป็นรถทั้งคุณทั้งนิพพานซึ่งเป็นที่สมมงบระงับจากกองทุกข์จากกองทุกข์ทั้งหมดนี้เรียกว่าอนุสติสิทที่เราควรมเจริญในเหมวดของสมถะสมถานวิภาวนาะสมฐา น, ฐา น, าา น, ฐานทีน่มีพระวิหารสี่ก็คือเมตตาความรักใครกระนาจะให้เป็นสุข ข้อที่สองกรุณาความสงสารคิดจะช่วยเหลือผู้ให้ผู้อ่นทนทกข้อที่สามวิติกาความพอยิงดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีข้อที่สีุเบขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวิติกามาในหมวดที่ต่อไปก็คืออาหารเลย อาวประชานสีนะอาวุประชา 4, นสะี 4, ก็คืออากาสานันจายตรนะหนัเพ่งอารมณ์วิญญาณอาทีแรกด้วยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดสองวิญญาณนันจายตรนะเพ่งอารมณ์วิญญาณทีแรกด้วยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดสามอากินจัญญานตนะ เพิ่ความไม่มีแห่งอารมณ์ญญาณที่แรกด้วยบริกรรมว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีนิดหนึ่งก็ไม่มีข้อที่สี่ในวสัญญาณสัญญายาตนะเพิ่มอารมณ์ญญาณที่สามด้วยบริกรรมว่านี่ละเอียดนะประณี tn นะแต่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีสัญญาก็ไม่เชิงอ่ะทีนี้ก็มาอีกสอบทก็คืออาหารเวรีกูนสัญญา คือการกําหนดอาหารโดยเป็นของปฏิกรูปนี่โดยเป็นของปฏิกูลกําหนดยังไงเป็นของปฏิกูลก็คือหนึ่งปฏิกูลด้วยการโดยโทคสองปฏิกูลโดยโดยที่อยู่ของอาหารนั้นสามปฏิกูลโดยสังสมอยู่นานสี่ปฏิกูลโดยปฏิกรูปในเมื่อ ย, ยังไม่ได้ย่อน ห้าปฏิกูลเมื่อย่อยออกไปแล้วหกปริกูลโดยผลของมันจากที่ออกมาแล้วข้อที่เจ็ดปฏิกูลโดยลังไลออกมาข้อที่แปรปฏิกูลโดยอันทำให้แตกตื้นด้วยเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มาในหมวดสุดท้ายก็คือให้กาหนดธาตุทั้งสี่เรียกว่าจตุธาตุวัฐานเจตุธาตุวัฏฐาน มีสี่อย่างจะตื่พระว่รสีก็คือให้กําหนดธาตุสี่นั่นเองก็คือหนึ่งปฐวีธาตุกาหนดธาตุดินอาโปรธาตุสองอาโปรธาตุคือกำหนดธาตุน้ำสามเปโชธาตุก็คือให้กําหนดธาตุไปสี่วายโยธาตุคือให้กําหนดธาตุลมให้กําหนดธาตุลมฉะนั้นกรรมฐานประเภทนี้อาท่านกรรมอารมณ์ของกรรมฐานเท่าที่ได้กล่าวไว้เป็นหมวด แสดงมาแล้วนี่อยู่เพียงอารมณ์ของสมถะกรรมสมถะ ส, สมถานโดยส่วนเท่านั้นเนี่ยบมาแสดงไว้เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ปฏิบัติมีรสนใจในการที่จะเรียนรู้แต่ที่จริงแล้วอารมณ์ของสมถะสมฐานนั้นมีอยู่มากมายหลายกองสุดแท้แต่ว่าทำประเภทไหนเมื่อบุคคลนึกเป็นอารมณ์อยู่สามารถยังจิตให้สงบปลอดจากวุ่นได้ ทำประเภทนั้นก็ได้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งสิ้นอันนี้ขอให้นักเรได้ทําความเข้าใจด้วยครั้งหนึ่งว่าอารมณ์ที่ได้กล่าวมามีสี่สี่สิบบทนสี่สิบบทนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอ่าเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานนะเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานอ่ม มีสี่สิทแต่ถ้าหากว่านับเป็นหมวดหมวดก็มีอยู่เจ็ดหมวดนี่มีอยู่เจ็ดหมวดก็คือหนึ่งหมวดกระสินสองหมวดอคุภะสามหมวดอนุสติอ่าสามหมวดอนุสติสี่หมวดโทมิหารห้าหมวดอรูปมีหมวดอรูปแล้วก็หกอรูปฌานเนี่ย แล้วก็หกอาหารในปริภูลสัญญาแปดจะตุธาตัววัฏเจ็ดจะตุธาตัววฐาน น, น, นี่ในเจ็ดหนวดนะในเจ็ดหมวดนี้รวมแล้วก็เป็นสี่สิบก็คือกรสินสุดอสุภาษิอนุสติสุพรหมิหารสีู่ประชานสี่อาหารในปริกูลสัญญาหนึ่งจะตุธาตัววัฐานหนึ่งนรวมเป็นสี่สิบอย่างอันนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของสมถะปมะฐาน เังะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาได้เสรดทำความเข้าใจให้จนแจ้งให้ท่องแท้าค่อยๆศึกษาไปค่อยๆกำหนดไปก็จะทําให้เรามีความรู้มีความเข้าใจตามขั้นตอนะทีนี้ก็จะมาว่าถึงในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าวิปัสสนาภาวนากรรมฐานหรือภาวนาอันเป็นอุบายให้รู้แจ้ง เนื่องด้วยทัศนะทางใจคือต้องใช้วิจารยานคือปัญญาสอดส่องให้เห็นจริงลงในคติธรรมดาสรางรสภาวธรรมและสามัญลักษณะเนที่ตั้งคือคำนึงถึงสังขารโดยจำแนกนามรูปออกเป็นจำส่วนให้เกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงโดยสามัญลักษณะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตา ทุกสิ่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจึงมีความห็นแจ้งชัดในสภาวะธรรมกำจัดเสียซขึ้นกีเลสอันเป็นอนิสัยก็ทําใจให้สบงบสงบจากราคะโทสะโมหะได้สิ้นเชิงท่านกรรมฐานประเภทนี้ท่านจึงจัดองค์ไว้เป็นสามนะท่านจึงจัดองค์ไว้เป็นสามคือหนึ่งโพธรรม ท, ที่เป็นอารมณ์ของวิจาสนาได้แก่ลุปาทินกาสังขาร สังขารที่มีใจครองอนุปาทนกาศสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองแต่ท่านแสดงไว้เป็นพื้นอายทั้งหมดอยู่หกหน่วดด้วยกันนะมีอยู่หกหนวดด้วยกันคือหนึ่งขันธ์ห้าสองอรยนาณะสิบสองสามท่าสิบแดีอิงสียี่บสองห้าอยสัจสี่หก อาติจะสมุปบาทสนะิบสองทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นภูมิธรรมนะเป็นภูมิธรรมเป็นอารมณ์ของวิจาสนาที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องจาให้มั่นนะส่วนภูมิธรรมที่เป็นอารมณ์ของสมถะก็มีสิทธนะมีสิทธิ์แต่ของวิจารณากรรมฐานนั้นมะีอยู่หกหนวยนะมีอนยะูนะ่หกหนอะืย ฉะนั้นก็ขอแยกต่อไปอีกนาเมื่อกี้หนึ่ง ค, คนธรรมที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นอยู่หก็คือหนึ่งขันท้าสองอาญะติสองสามทาิแปสีอินทรีย์สองห้ารยจัตปีหกติจัตสินวา1ิสองดังนข้อสองธรรมที่เป็นรากเน่าของวิปัสสนาได้แก่วิสุทธทิสองคือสี่หนวิสุทธทิความหมดรจดแห่งศี หมายความว่ารักษาสีนตามคามุณของตนให้บริสุทธิ์สองจิตสาวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตหมายเอาดุหมายเอาคือสมาธิคือตัวสมาธิคือความสงบแห่งจิตใจแห่งจิตใจี่จจามาในข้อสามใหญ่ทำที่เป็นตัวของวิปัสสนาได้แก่วิสุทธิห้าคือหนึ่งทิฏฐิวิสุทธิ หนึ 1> 1. ่ิวิสุทธิ 3. สองตังขาวิจารณาวิสุทธิสามมัคามัคคยานทัศนวิสุทธิสี่สติปัฏฐานยานทัศนวิสุทธิห้ายาทัศนวิสุทธินี่อันนี้หมายถึงทางที่เป็นตัวของวิปัสสนาถ้าเกลียนอาจยังงงก็จะขอให้ทําความเข้าใจอีกหน่อย่า วิปัสนากรรมฐานานีนนะ้เป็นเรื่องที่ลึกซึก้งนะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาว่าคนที่จะเรียงจะศึกษาพระศาสนาให้สมความลุ่มลม่าศาสนาหรือว่าให้ถึงเป้าหมายตามหลักพุทธศาสนาจริงๆนั้นจะต้องเดินสายสมถะสมถานในวิปัสนากรรมฐานเพรฉะนั้นวิปัสนากรรมฐานนี้ คำว่าวิปัชนาแปลว่าเห็นแจ้งนะเราก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งตามสภาวะธรรมอตามสภาวธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอริจังทุกขังอนัตตาหนี่เห็นอย่างนี้ก็จะเห็นแจ้งแล้วก็เห็นเห็นสังขารตามความเป็นจริงนะทั้งสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองพูดให้สั้นที่สุดก็คือว่าเห็นทุก เห็นท yeah, ุกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นทุกอแล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกอเห็นความดับทุกเห็นเหตุทางให้ถึงความดับทุกนี่แหละไอ้ตัวเห็นไี่หมายถึงตัวรู้เห็นด้วยจังรู้ด้วยใจเห็นด้วยรู้ด้วยคือเห็นชัดนีเห็นชัดปรากฏชัดจากการที่เราได้รู้การความเป็นจริง เพใหเราจะวู้ถึงขั้นนี้ได้จิตของเราจะต้องเป็นสมาธิเราจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะเป็นสมาธิาว่าต้องเจริญสมาธิมาต่อ้วก็จึงมาได้ระวิญวิปัสสนานเจริญวิปัสสนาพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าสมาธิงพิกเวพาเวทะสมาหิโตยถาภูฟังปัญชานาติพิสุทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิทศ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเพราะนั้นวิปัสสนาอันกรรมฐานก็คือเป็นอุบายให้เรานั้นรู้แจ้งด้วยปัญญานารู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาสงบระงับจากราคะโทสะโมหะได้โดยสิ้นเชิงและอ้อ การที่เราจะเรียนรู้วิปัสสนานั้นเราจะต้องรู้ภูมิธรรมนีะเราจะต้องรู้องค์องค์องของวิปัสสนาไว้สามอย่างก็คือหนึ่งภูมิธรรมที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสองธรรมที่เป็ น, นหน้าคเน่าของวิปัสสนาสามธรรมที่เป็นตัวของวิปัสสนานะถ้าเขาถามบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นเขาจะองไว้มีเท่าไหร่อันนี้เราต้องตอบได้เลยว่าเป็นสามหนึ่งภูมธรมรมของ คนทำเป็นที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอสองทำที่เป็นญาติข่าวของวิปัสสนาสามทำที่เป็นตัว่อของวิปัสสนาทีนี้ถ่าจะถามอีกว่าทำที่คนทำที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้แก่อะไรเราก็บอกเลยว่าได้แก่สังขารสองแปลว่าท่านแสดงไว้หกนอดเทวมังค์ขันห้าสองอายุณสิบสองสามท่าสิบแปดสีอินทรีย์ยี่สิบสองห้าโยศสี่ พบปฏิเสธสมุดบัตที่สองอันนี้ก็ผู้ต่อเรียหัวข้อส่วนารายละเอียดนั้นก็ให้นักเรียนนักศึกษาไปคนฟ้าเพิ่มเติมก็จะทำให้รู้แจ้งยิ่งขึ้นและในข้อสอนที่บอกว่าธรรมที่เป็นยากแน่วของนิพพานก็ได้แก่วิสุทธิที่สองคือวิสุธทธิเนี่ยมีวิสเจ็ดมีวิสเจ็ดแต่ธรรมที่เป็นยากแน่วของนิพพสนานั้นมีวสองก็คือสองข้อแรกคือละวิสุธทธิความปว ด, ด, ดแห่งศี้น อกับทิฏฐิวิสุทธิ่ากับจิตตาวิสุทธิความกระจัดแห่งจิตนี่เรียกว่าทำเป็นหน้าาของวิจาสณนาหรือทำที่เป็นตัวของวิปาสณนาได้แต่อะไรก็ได้แก่วิสุทธิห้าข้อห้าข้อวิสุทธิเจ็ดห้าข้อต่อลงจากวิสุทธิสองก็คือมาในข้อที่สามก็คือทิฏฐิวิสุทธิอทิฏฐิวิสุทธิก็คือ ความเห็นความหมดจดแห่งการเห็นแห่งความเห็นคือได้แก่พิจารณาเห็นนามเห็นรูปโดยความเป็นจริงเรียกว่ารู้จักแยกออกเป็นส่วนๆโดยความเป็นอนิจจทุกข์อนัตตาแจ้งชัดไม่ปิดอยู่ในสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่คนโดยมากเข้าใจยึดมั่นถือมั่นกันนี่เราเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเรามีความเห็นบริสุทธ หมดจบโดยสิ้นเชิงอย่างนี้มันจะเป็นทิฏฐิวิสุทธิมาในข้อที่สองก็คือตังขาวิจัยหน้าวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยนะความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามความเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยก็คือกำหมดรู้ปัจจัยแห่งนามแห่งรูปนั้นว่า ขึ้นเพราะอาศัยอะไรดับไปเพราะอาศัยอะไรจนหมดความสงสัยในนามาโลกนั้นส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตส่วนที่เป็นปัจจุบันนี่อย่างนี้แหละเรียกว่ากังขาวิจาราอุสุทธินงานในข้อที่สามนักคามัคคายานทัศนวิสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องเห็นว่าทางและไม่ใช่ทาง แอบมัคคามักคามัคคายานเลยกามหมดจดเห็นญาณเป็นเครื <oh ่องเห็นว่าทางและไม่ใช่ทางคือเห็นว่านี้เป็นทางเห็นมัคผลนี้เป็นทางแห่งอุปาิเลสไม่ใช่ทางเห็นมัคผลเห็นอย่างนี้ไหนเรียกว่ามักคามัคคายานทัศนิสุทธิการหมดจดเห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่าทางและไม่ใช่ทางข้อที่ี ปฏิปทายานทัศนอุสุทธิแปลว่าความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติคือเห็นวิปัสนาญาณทั้งเก้าตั้งแต่อุทัพย า, ยานทังขยานเป็นต้นจนถึงจัตจานุโลนุโลมิกยานเนี่ยเรียกว่าถึงขั้นนี้มันก็เรียกว่าเป็นญาณครอบโคตรแล้วนีเป็นญาณครอบโคตร พผลจากความเป็นเป็นผู้ชนเข้าสู่อริยบุคคลแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือยาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นเป็นโลอุตตายาจัมมะนี่ยก็เป็นโลปุตตะเป็นโลปุตตะนี่แหละความเห็นทั้งห้านี้เรียกว่าทางที่เป็นตัวของวิปัสสนาทางที่เป็นตัวของวิปัสสนาฉะนั้นอันนี้ นักเร น, นักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจเพราถือว่าในสองบทนี้สองบทต้นเกี่ยวกับเรื่องทายาทวุจน์สองก็ดีเรื่องกรรมฐานสองก็ดี ถ, ดถือว่ายากอแล้วก็ถ้าว่าเราเรียนรู้เข้าใจก็จะทําให้การศึกษ า, าที่ทำวินัยทําให้การปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะของเรานั้นได้ดียิ่งขึ้นนได้ดียิ่งขึ้นทีนี้ถ้ายังมีคําถาม่า กรรมฐานกับภาวนามีความหมายต่างกันยังเหมือนกันอย่างไรนะเพราะาาาารู้สึกว่าบางทีท่านควนอาจจะหนว่าบางที่ก็เรียกว่ากรรมฐานบางที่ก็เรียกว่ า, า, าภาวนาเขีนสมถะภาวนาสมถะกรรมฐา น, า น, า น, า น, านที่ปรินากรรมฐานที่ปรสนาภาวนาทีนี้คำว่ากรรมฐานกับภาวนาเนี่ยมันมีอัดต่างกันเหมือนกันอย่างไรนะอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าโดยอัดเหมือนกันนะ โดยต่างกันโดยพ ย, ยัญชนะและโดยอัดมือนกันโดยเป็นอุบายเพื่อจะทำจิตให้เกิดความสงบเนี่ยให้เกิดความสุ ข, ขุมละเอียดระมี่ก็คืให้เกิดตัวปัญญาอเกิดตัวปัญญาอือไรที่ต่างกันโดยพ ย, ยัญชนะก็คือว่ากรรมฐานนั้นแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานอภาวนาก็แปลว่าการเจริญแต่ว่าความเจริญ หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทาการงานที่ทําจิตให้เจริญนั่นเองเป็นวิธีเจริญของประโยคาวจารผู้ปรารถนาความสงบทําให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะธรรมนั่นเองนี่อันนี้เราจะต้องรู้าจะต้องเข้าใจหรือถ้าจะมีคนถามอีกว่าการที่พะระอะไรบุคคลที่ได้บรรลุ ก า, า, า, ารพระอรหันด้วยการเจริญสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีส่างกันอย่างไรอันนี้ก็ให้นักเรีนศึกษาได้ทราบไปเลยว่าผู้ที่มเจริญสมถะนะผู้ที่เจริญสมถะแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาอันนี้จะทำให้มาแต่ฉันด้วยปัญญาเนะ่ อแต่ฉานด้วยสัญญาแล้วก็เห็นอัตถิเห็นธรรมเล็กลึกซึ้งชัดแจ้งเห็นอ<า>ัตถิเห็นธรรมเล็กลึกซึ้งชัดแจ้งแต่ผู้ที่สงบวิปัสจริงวิปัสนาอย่างเดียวนไม่ได้เจริญสมสถะอันนี้ก็ได้บรรลุพระอาหารหนันต์เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าอ า, อ า, หารหันตสุขอสุข ก, กะวิปัสสก<อ>ในว่าสุขะวิปัสสกก็หมายถึงว่า มัน ล, ลุอย่างแห่งแรงอย่างเช่นพระ จ, จักคุณบาล อ, อย่างนี้ไม่ได้จะเรีนสมถะจะเรนวิปัสนาลุ่นคำว่าจะรียวิปัสนาลุ่นก็หมายความว่ายกจิตขึ้นพิจารณาสังขารให้เห็นเป็นไตรละคือให้เห็นเป็นอนิจจทุกขังอนัตตานี่นั้นอันนี้ก็รู้สึกว่า จะมีความรูนนะ้น้อยกว่าน้อยกว่าผู้ที่จะริยนสมถะและวิจารณ์นะแต่ก็ได้เป็นเท่ า, าหารเทียนกันนะี่ไม่เป็นเท่าเทียมกันเพราะนี้ก็ขอนเนตรเพื่อนนักศึกษาได้ทราบตามนี้ด้วยฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานสองก็คือสมถะกรรมฐานและวิจาสน า, ากรรมฐานมาก็พอเป็นแนวทางให้นตรเพนนักศึกษาได้นําไปประพฤติปฏิบัติ ก็จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดีขอเจริญพร